ที่ที่เปิดมานะ ในตอนก็คงดึงงําๆ เป็นการเรียนจิตให้มี อย่างไรสมมตินะสําหรับคน Về là gì ta có thể มันก็คือปฏิจจสมุปบาทท่านให้ใช้อารมณ์ เมื่อเราทําการเข้าใจ สามารถปฏิบัติเจริญญาณใจได้ทุกอย่าง ไม่ได้เป็นตอนเป็นการคาย และนั่นแหละปากเอ้าที่วางไว้ นายหรือว่าว่างมากอยู่แหมมันสามารถเป็นเครื่อง ว่ากันให้ตัวเองมีความสงบให้ตัว เนี่ยกันอีมันเป็นอยู่ อันว่าการเราปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเราจะ ไส้เป็นแบบสบายทั้งตัวขึ้นมาเซฟ 3 จุดเนี่ยเอง ร่างกายที่มีความเบาร่างกาย ต่อก้านเลยทั้งกับโลทั้งทุกข์ประทานเหยาะเพราะศัตรูว่า มันจัดการตัวให้ได้ตัวนึงเอ่อดูที่ có ra tài thì bằng đọc gì đéo có มีอาการหิวทําอาการเหงื่อทีนี้ถ้าหาก จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเนี่ย ไม่ใช่ผู้อย่างไม่ใช่ผู้ทําสมาธิ ก็คือการเนี่ยมันจะเป็นตัวบอก มันเข้าออกร่างกายอยู่นี่ปรากฏ ท่านอาจว่าประชามติเตรียมใหญ่ด้วยเลยเรา ถามว่าฝึกที่จะสังเกตว่าลมหายใจ มันเป็นฝักจะเป็นลมหายใจภาย อาการอังกฤษกระทบใต้นอน น้องก็แค่สมมุติใหม่ๆว่าสาย <bees> ดูไปที่สิ่งที่จะต้องง่าย <DA> อาการทางใจมันหมดจากความกังวลโลกมันเปลี่ยนจาก มีมีความพร้อมที่จะทําสมาธิได้ต่อ ทีเนี้ยเราดูที่เราสังเกตลมหายใจอีกที มีความว่างตามสบาย ร่างกายของเราที่ปรับๆคน ตรงตรงตอนๆ จะเป็นสภาพๆมี ว่าจะดูความไม่เที่ยงของ มันมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่คน ได้ และนั้นเอ่อพาสต่อมาก็อ่า อ่าตรงข้างเนี่ยเกิดขึ้นใหม่คือ เมสนี้มันๆ ไม่รู้ตัวมาตั้ง ไอ้มันมีความสบายมีความสงบได้อยู่ ยังประสบความล้มเหลวบ่อยๆๆ Rồi khiến mình bị khơi khứ mài ghen bởi này ตามอีกขึ้นมาที่เกิดความผันมันตอนที่มี เนี่ยมีอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นหมายความว่าเราปึกสังเกต อันนี้แต่ ก็เปลี่ยนเป็นแบบคือที่ที่อาการที่มัน bảo vũng trả đơn hạt hạt và đồng minh bằng mang rồi đưa cho แต่ว่าพูดอีที่มันเป็นอะไรที่ต้องเหมือนแกะตั้ง มันมันไม่ต่อเนื่องนะเราสังเกต ต้องระวังเนี่ยต้องพูดให้ดีน้องพูดให้ เนี่ยเราเราลองสังเกตดูด้วยถ้าอันระดับต้อง <necessary. S 2> อ่าสมมุติเราพูดอะไรมันค้างๆขาดๆไหมในระหว่าง ที่เดินการคิดเรื่องการทําความขานเนี่ย ตั้งใจดีๆนะแล้วล้มเลิกการภาวนามันจะเกิดคือ Thì khách thức khoảng năm mới và คือไม่ใช่เริ่มองค์การแบบประมาณนี้ Thế tươi xong, cứ chạy ở đây เย็นน่ะแนวก็คือเราก็เนี่ยบัวเนี่ยคือพัฒนามาเป็นนะตอนนี้เรา Mình bị xa tỉnh dù cả ขอบคุณนะคะขอบคุณได้ ซึ่งเอาพอมีมีอารมณ์แง่ๆพอเนี่ยเรา บางลุงก็มีความมีพลังที่จะดุ๊กดุ๊ก ให้มากันเบลอค่ะมันเป็นลักษณะของ ค่ะอีกข้อต่อไปง่ายรูปแต่ที่มัน คือเองงั้นเหมือนกับนี่ที่เราจะลอง อันนี้โยเกฆาณะคือนั่นจะเอาเข้าไป ขณะท่านตั้งแต่ต้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน ทุกคนดูว่าเหตุการณ์มันมีความสําคัญ นี่จะดูคือเหมือนสบายๆ อาจารย์รู้ตัวนี้หรอสัจชื่นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เรา pega o l l a n t a นะ k m y a y a p d Thấy đồng thải chạy bên đèo thà Thì Chà Chà เนี่ยสมแรกตอนตอนที่เมื่อกี้เผื่อ อ่าเขียนจริงๆเหมือนกันก่อนก่อนหน้านี้ เอ่อมันไม่มีตัวความพยายามเหลืออยู่ ta sẽ cảm ảm ả 2 ที่มันเกิดขึ้นไม่หยุดมาเหมือนกับ โดยนิเทศน์บางแตกๆเนี่ยได้อยู่ตรงว่า ว่าอะไรสักตัวนึงที่เราจะ มันจะอย่างงี้ของเมื่อกี้เนี่ยมันจะมี <c ười> เราก็มียึดคือท่านเจ้าได้สังเกตว่าเราอยากได้ เป็นทางของคนที่จะเจริญ ก็อยากจะใส่ปลายจริงๆมันอยู่ Có bao nhiêu mình sáng kiếm Nói là họ ที่ใหญ่ๆที่อาจารย์บอกก็เห็นทุกความยาก อยากขออีเวนต์ป่ะชื่อเจเจอีค่ะอ๋อ <eur> <c ười> Hãy ที่อัตตวางมีนะคืออัตตคิดนะปัญญาคิดเนี่ยที่มันนะเพราะที่เนี่ยมัน มันจะมีความคิดในดีในแย่อย่างนี้อยู่ ว่าตั้งใจจะเป็นไปให้ชีวิตเป็นไปในทิศ แล้วก็สงสัยนะว่าไอ้ที่เป็นเหมือนทอด ที่เอาที่นั้นพูดออกตามนะแต่ อ่าก็ว่าแสดงใน แต่ๆยังแล้ว Khi mình tuyển từng bằng mạng Từng bằng mạng Khăn của mình Mình đùa bằng khi mình Mình กันภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าหากว่าเรา มันสวิงกลับไปลงไปอยู่ข้างล่างๆเนี่ยนะ แล้วก็พอเขตตั้งเปลี่ยนแปลงได้ เอ่อเอาว่าใครๆเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็น คือเป็นบางน้อยให้เอายึดแต่ถ้า ว่าๆมันอีกครั้งคือ ก็มีบางแต่เนี่ยตัวตัวนั้นแหละ ก็จะพูดว่าดีแต่ ว่าเรากําลังรู้สึกอย่างนี้งอมมันตั้ง แต่ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การ แล้วก็ถามถามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือไม่ได้ <S native> <NF niin> <to, Imp> มันมีแจกคุณตาค่ะ การนั่งวิปัสสนาธัมมจิตะธรรมทุกวันเนี่ยค่ะ ก็พบกันต่อ <S an> บางที่อุปนิถาธรรมประมาณมัน เอ่อร่างกายเนี่ยมันที่ เกิดภาวะคุณแตกจําในคีย์เวิร์ดนะเมื่อ แต่ไอ้มานับอู้ว่าใครใน แล้วใช้ต้องติ๊กนิดนึงแม่แม่ตัวมึงที่เสียก่อนคือคือเราภาวะโยก สู่กับน้ําขอใจตัวเองเข้าใจมั้ยจิตใจ <c ười> ทำตัวเองคืนใจตัวเองออก เราจักไม่ปฏิเสธไอ้ โดยปาฏิเคของอินเดียเรื่องภายในมันขั้นที่ 4 ด้วยการดํารงรักไม่ใช่ด้วยการขืนต้านเรา แต่เราสามารถเห็นบางรูปโดยโดยความ อ่าแน่ๆจากมีอื่นใหม่ขึ้นแต่ว่าเห็นไปบ่อยๆครับมัน อาการโน้ตลงค่อยๆลดหลบสู่ความเงียบหิ้งไป แต่กระท่อมนั้นเนี่ยลบออกไปด้วยสวยไปกับการห่วงและการ มันก็มีบังหนอกขึ้นมาได้สิทธิ์ในที่ พี่อยากมีความอยากรู้ว่าเอ่อทําอย่างไรกับ มันมีอะไรที่ <c ười> เป็นได้ค่ะ 11 ค่ะคือนะตัว จุดจริงๆพอได้อาจารย์ก็ <c oughs> การการยื่นตัวช่วยเหลืออะไรต่อ เหมือนเหมือนจะรับกดมันหน่อยๆแต่บางครั้งเอ่อ ไม่ได้ก็ได้แต่บางครั้งคือมันเอาไม่ thay thay như là đồ đồ đề là ai nó mới มันเหมือนเนี่ยตอนตอนที่ทําเป็นเหมือนเด็กๆเนี่ย Câu xin cũng nhạc, ký gửi từ nền sĩ này Mới mấy ตอนนั้นดูนะเนี่ยเอาเรื่องนี้ตื่นศรัทธาขึ้น ปกติพูดมันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยตอนนี้มัน Mày hỏi mà, ngầu độc môn cả tụi em như thế แล้วไอ้คือ <c oughs> มันรู้จักอย่างนั้นแหละยึดก็ต่อตัวยึดเนี่ยมัน เห็นตรงการณ์งานไม่มีอะไรกันแต่เดิมเนี่ยตัวที่เป็น เป็นเป็นปรากฏเลยนะครับลบจากภายในเนี่ยลบภายในเนี่ยที่ ตื่นด้วยประภาดเรียบร้อยแล้วถ้าจําไม่ค่าเรียน ไอ้ที่เหมือนไม่อะไรเพราะว่ามันไม่ดีในมนาการมันไม่ครับ ก็คําถามได้บัวก็เยอะมาก เนี่ยอ่าหรือว่าทํางานเหนื่อยสุดก็สุด เอาชาวอะไรแล้วพอพอมารู้สมาร์ทเนี่ยมันเราเราเราจะ ผู้จานในหมายถึงค่ะมันก็เลยสับสนว่ารู้จะ เอ่อวิชิต <c ười> เคยนำมองว่าเป็นแค่องค์ประกอบสนับสนุนชีวิต โดยหลักที่มันมาจากการชีพ อันค่าเกี่ยวกับปัจจุบันคิด uh, อันด้วยแมะเราไปชักชวนให้ เออที่เราจะ อีจะต้องทําอย่างนี้เกิน 80% เค้าเล่นงานงาน Thầy này là khi dùng đầy mẹ đã thăng khó ใจของเราถามๆคนในในคน เดี๋ยวว่าด้วยความที่มันต้องหาอยู่อาศัยใน เออนะถ้าสุขดุษสังเกตเข้ามาว่าใจดีของ เอ่อคือเราอยากเป็น <differences S 2> อันนะในสายอาชีพแต่เรากําลังสร้างเส้นสร้าง ในแม้แต่มาจากการที่ใช้ น้อมบริหารได้แล้วอย่าง ก็คนก็จะเข้ามาเล่นเยอะเห็นนี่ต้องทํา ยังไงอย่างแรกเราต้อง ก็กดได้ใช้อ่าพอทาง เป็นการคือคือเขาแจกจิตนะอะไร Thư... thư... thư... mong bao nhé Mình mời เก็บขยันบ้างอะไรบ้างแต่บางคนก็ นี่ขนาดนี้ว่าเป็นแหละบนลาติโนนี่ก็ มันๆนะตัวนี้เอ่อก็นะ <of> แล้วแล้วเริ่ม มันแข็งบ้างเลยเนี่ยอันนั้นมันเป็นการ นะครับเราอยู่กับภรรณาย ไอ้ความรู้สึกเกี่ยวมีอรรถเอ่อจุดมุ่งหมาย มีบางสําคัญมีตัวตนแน่ซึ่งถ้าหาก ตัวนี้มันก็จะทํากับปักก่อนไม่ อย่างไรเราจะศึกษาด้วยวิธีไหนก็ต่างไงเราจะศึกษาด้วยวิธีไหนก็ต่างเราจะปฏิบัติ เนี่ยมีก็จะไม่มีความสามารถที่จะโตออกไป เมื่อตอนนี้เราจะออกก้าวเดินมาเราต้องการอะไร อยู่การจับจุดอยู่การ มันจะทำให้รู้ว่าเชื่อมั่นแต่ว่าไม่ยืนมั่น โดยโดยธรรมชาติกับใจมันเกิดอุปทานขึ้นมาเป็นตัวเราทั้งคู่ Thật sự là rầu đầu không phải nạc Bên tụi em แม้แต่ความรู้อืมเราเก่งเว้ยมันมันสอน จังหวะนั้นเนี่ยคือเราก็เคยสูญหรอว่ามัน เรายอมรับมากที่จะทําแต่รู้เกิดนะ เอ่อเชื่อว่านักศึกษาที่เรียน คือคือสมาธินะคะแล้วก็ละหมาดต้องพิสูจน์ เอ่อกุมนิ่งเนี่ยนะมันไม่ใช่ได้ เป็นคือไม่ใช่โกรธโดยปังเนี่ยจะๆว่าคุณ ไอ้เหมือนเป็นอย่างใจเราคือเป็นปรสิต เอาตัวตัวที่เป็นไปเอ่อตัวสมาธิ อันแต่จะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้เหมือนกันแต่จะเอามาใช้ประโยชน์อย่างมีอันนี้อันนี้พูด มันแค้นกับเก็บลึกแม้ๆว่าเป็นความทิ้งในแบบที่ มันเป็นประมาณนี้ขึ้นจุดถ้าเราทําประมาณนี้แล้วเกิด ตัวเนี้ยพอเราเห็นตุ๊กใจเป็นอย่าง ยึดตัวนี่คือตัวอย่างแรกนะอย่างยึดแบบฟักๆไปไปถ่ายออก เกิดปฏิกิริยาแล้วปฏิกิริยานี้มันจะมันจะปล่อย ที่จะทําอะไรก็แล้วแหละไม่ว่าจะ ก็ประมาณนั้นไงว่าตัว จริงๆแล้วมันมีสติมาเป็นประโยชน์ จะเกิดอย่างนั้นได้ยังไงนะก็จะ ก็ดีก็ๆ คือคือเรื่องที่มันบรรยายได้เห็น คือไอ้ไอ้พี่พูดถึงลิเนี่ยมันมีนิดหน่อยว่า แอปนั้นปลุกแบ่งมองใจซึ่งเป็นใบเชื่อมเยื่อนเหนื่อยใจเปล่า ก็เห็นวันมัน Bắt đầu, khi phản hợp đã bảo là Chúng ta sẽ lúc xử pháp án ngữ khác Nhưng 이기 จะเป็นประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่การคิดแต่ มาด้วยกันอีกหมดเลยมารับใช้ผู้ชม วันทีมคอนตินิวเรลเฟซบุ๊กที่มีคําว่าค่ะค่ะ ชีวิตชัดเจนขึ้นให้เหลือกับเรื่องนี้ <c ười> <c ười> ลักษณะและ êmica แค่ง่ายๆเพื่อให้การ Tháng này, rạp chạm bên แต่ก่อนเนี่ยไม่มีแรงการเสียเวลาที่จะถูกไป ถึงอีกเกิดคือเอ่อการที่มันบังเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นงานที่ใจมัน เอ่อหดเอาตัวมีความสุขดีกับธรรมะที่เกิด ไอ้ปังนิพพาน 22 แต่ตอนเนี่ยคือได้ มันแก้จริงๆที่จะเจอทําไมจริงๆ เนี่ยมันเปลี่ยนด้วยการที่ มันเลยว่าเส้นทางของคนที่หวังทางช่วย การที่ฝั่งนั้นแล้ว ป้าอี้เรารู้สึกว่าแรกป้า จำไว้ว่ามันไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะ ก่อนที่จะผีนแข็งเปลี่ยนจากๆกายเป็นปูน อ่ะแล้วแต่ว่าเองว่ามาว่าได้เป็น มันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองแล้วอย่างแต่ก่อนเนี่ย มีเรื่องนี้ที่มีลักษณะมลทินมัน นี่อย่างที่นั่งนิ่งๆมันค่ะ อันตัวทําแบบ เนี่ยการจะอยู่นะแต่ ควรที่มีคําบริการในคํานึงนี้ และนี่ๆไปถึงคำที่แน่นอนน้อน Chuyển Thì nóng kế thề, tác ก็เป็นอย่างใจขอบคุณ <chat> แกเป็นถ้าคุณทนพอเรื่อง จะทํายังตัวเองลงแท่งไหนมันมีความเชื่อ คือมันเหมือนนะเอาเงี้ยครั้งไหนก็เหมือนคือ มันน่าจะเชื่อมันเป็นวีรมันมัน เนี่ยค่ะคือปัญหาเชื่อมหน้าในตัวเราเนี่ยเราเรามันสามารถทําอะไรให้มัน แล้วจะทําบุญหรือเราจะคิดผิด อากาศนี้สิทีนี้ถ้าเราควบใจอากาศนี้ ตัวปู่พิจารณาว่าไม่ผ่านมันจะเห็นการใจอยู่ คือระบบนี้มันจะบ่าวตัวๆเรายัง ทำเรียกอาการโดนทำเรียกอาการรวนทำคือคือติดมันมันเหมือนสับเว้ยไม่ได้จะทําจิตมัน ก็เห็นค่อยๆเก็บขึ้นมามีวันๆมีระบม คือพี่ให้เห็นไงค่ะแล้วก็ขอครับ ที่ต่างบ้านอันฆาตกรรม <c oughs> มันไม่เกิดอะไร แต่ใจภายนอกที่กระทําต่อจิตแจ้งเราณเวลา chẳng càng và không phải thắng nó bị bởi tìm มันก็มีเหตุการณ์ข้างนอกเนาะที่เราอยาก อ่าเป็นดูงานค่ะว่าโดยปกติดูท่านมี <c oughs>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 มันหมายหมายง่ายมีความกลัวง่ายคิด มีเนี่ยมันมีอะไรที่เก่งกว่าเหมือน อะไรอย่างงี้มันเป็นมันเป็นการถูกแบกโอเคมัน <laughs> มันมันทํากับแม่มันก็ยึดมันมันมีความ พวกพี่จิตของเราถูกรุมแตงด้วยความผันๆและ นี่ว่าอย่างการหนังการอย่าง คือมันมันไม่ได้ตกขึ้นบ่อยหมดเราจะ เอาเวสมันก็แบบนะในยุคนี้ๆคนๆที แล้วนางเอมี่ยายอะไรที่ có phải là giảm bảo khi เมาเนี่ยจริงๆก็ที่อยากให้เสร็จไอ้ความตั้งใจ มันมันถอนตัวแบบนี้มันจะยากต้องต้อง ทำว่างึกไม่ได้หมายว่ากูสอนมือว่า ไอ้เจ็บๆเบาๆเนี่ยมุ่งไปในทางใดทางนั้นชัดเจน อาร์เยอร์ไอ้บ้านขึ้นมาว่าเราจะมีตัว <1980? S 1> เดิมนะแต่เรา นี่จะเกิดเป็นลักษณะเป็นการค่ะ ใจลึกๆเลยไงมันไม่ได้ดื้อนะ เออแม้ที่มันมันถูกคือ แย่อย่างแย่เนี่ยไปด้วยจะไปทาง โดยมันมันใจมันมันพูดไปซึ่งพูด ไม่ใช่หรอกเหมือนมาที่ทุกรอบตา ที่ทําออกจากการๆทางด้านขวานี้ด้านป่านี้มัน <S an> อีกปันเอ่อความดื้อเนี่ยมันมันมีประโยชน์ นี่ได้มีทางเลือกอื่นเพราะ ก็ก็รู้สึกว่ามีสุขใจดาวคือค่ะ อีกก็เลยหักดินด้วยกันเราเริ่ม ค่ะทีนี้จริงๆคือเรา ของแกวไนเซอร์นี่ค่ะโอเคจะจำ ตรงหน้าขอนิดนึงไปเครื่องฝึกไม่ใช่เครื่อง Thường khi giả đủ có khoảng chít Thì mình bạc ma lên đây มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เนี่ยครับมัน กรรมในชีวิตของเรามันมีค่ามันมีความสําคัญกับเรา มองอย่างมีสติแล้วจะมาเวลา 9:05 น. หรือ อันนี้เนี่ยเนี่ยอย่างตอนฟังไม่รู้ว่าทําไป <c oughs> อาณาจักรที่แตกบล็อกมันยังเป็นของของเราอยู่ของแตกบล็อกทุกวันนี้มันยัง ว่ากรรมนิสัย selection จากใบที่เห็นๆแล้วเราไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะ ที่เราบอกว่าตนเป็ดที่แย่ของเรา เราบางทีทั้งๆที่ตอนแรกๆเรารู้สึกว่าแต่ เนี่ยได้เขาได้รับอะไรที่สะสมบ้างอะไรอย่าง เออในกรณีของเราเนี่ยเค้าพูดสุด <sh> <t ips> มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นกับ Cái quảm xao xoay ấy, mình chả Thầy có gì nói luôn Làm mén kẻ Có chẳng mà không được quảm xao xoay đây quảm xao xoay เราเราเตือนตัวนี่ก็ต้องเห็นอีกตัวด้วยถ้า in คือเรียกว่าอยู่ในมีๆ คือเอ่อก็คือตัวเดินๆเนี่ยมันๆเนี่ยมันเกิด ไปเป็นแบบเป็นถูกต้องนะแล้วก็หลักฐาน อยู่นอกจักรวาลๆว่าเกือบจะปลัดได้แล้ว เอ่อพูดง่ายๆเลยก็หมายแหน่ที่ แต่ว่ามันมีนิยามครับไป เอ่ออันนั้นเป็นบัญญัติอภิธรรม <øre> <forward> เด็กไม่ใช่ คำถามก็คือนะคะพี่ก็ส่ง แล้วพี่น้องจิเข้ามาเลยนะแม่ๆทั้งนั้นแหละ ก็ตอนที่ไอ้อากาศเคลื่อนชุ่มๆหนาแน่น บ้าาามุuce ไข่ PM ождения ๆát แล้ว centimetอวัล PurpleIf'. คือแล้วรอบตัวของคุณตอนเนี้ย ทางจากห้องนึงไปอีกห้องนึงมัน เราๆว่าปฏิกิริยาทางใจของเราเนี่ยมันดึงตัวเรากลับไปเป็นกลับไป เรื่องของมันอื่นแท้ๆกลับไปจริงจังเรา แต่ได้ไปครับหลบด้อมเป็นที่ เอกอาจก็ทําทําไม่ๆคือ แต่แต่เดิมเนี่ยเขาๆๆๆๆไป 10 นาที 20 นาทีมันสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนจากคำกลืนยากให้กลายเป็นคำผันอ๋อ มองให้คิดๆกับใครแล้วๆเนี่ยเป็นปกติมันตรง ความคิดที่จะเรียนอะไรซึ่งมันคิดที่คืออยาก แมะฝึกๆไม่ได้เห็นเป็นคำทางเลยเนี่ยว่า để tôi tí bác. À cô อยู่ได้เวลาบาง Tại ao tháng sau này nè, bây giờ Chạy lưu tử quá, chạy lưu อีกอันอีกมากเนี่ยบางทีมันอยู่ตรง มันมันจะอย่างงั้นเราเราเห็นอะไรแบบคลุมเนี่ย แต่มีมาก็คือเหมือนกลุ่ม มันมันอยากกับเขาเกิดขึ้นมาเถอะ คือไม่ใช่ตั้งแต่เหมือนอย่างอย่างตอนนี้ที่มันเปิดขึ้นจะ ใจว่าคือฉันจะลืมฉันอยากให้หัวใจๆ นะ a นะสวัสดีค่ะดิฉันที่ เออแล้วทีละบางทีคือ ไอ้น้องเนี่ยมันเป็นนี้ ที่เค้าเนี่ยอารมณ์อะไรอะไรอ่ะ โดยการไปเกิดทําการ จริงที่จะต้องทําไม่ใช่การไตร่ตยาคค่ะหรือ <laughs> มันจะหายไปไหนไปด้วยการรับรู้ต่างๆออก ไอ้ระยะอันสุดที่จะยอมรับตาม เพราะแต่ได้ไปเนี่ยมันๆซอกดุกจํา นะจะเราจะตอบตรงอาจารย์ไม่มี ในธรรมอกุศลในธรรมยืดในธรรม พอพอเห็นแล้วมันไม่หายไปว่า<ม> เราไม่มีฟังก์ชันบังคับอะไรเลยนอกจากที่จะ แต่ไม่เห็นหายไม่เห็นหายเนี่ยพอรู้มันไม่ได้รู้ นี่แหละจุดหลักการคือเพราะว่ามันจะอยู่เป็น 1ๆปีไป ที่มันไม่ตรงกับปาฏิสุขนิสัยที่ว่าโกรธ ถ้าจะอยากจะเป็นผีปอเนี่ยอยากเป็นเก็ท แล้วคิดยังไงพูดยังไงทํายังไงนะเนี่ยเผามัน เอ่อมันไม่ออกมาทางกายไม่ออก การที่ทําความท่านให้ปล่อยใจในตัวอย่าอย่า แต่แต่มันจะสลายตัวไปไม่ได้ค่ะเข้าถึงกับแต Mình có cái gì hình ạ Hình thì hình thì nó ที่ไม่ยอมรับกับการตรวจยันเสียเลยยอมรับตัว อวาดแตกเนี่ยมันสร้อยที่เหตุภาวะอยากจะทิ้งแทง เดี๋ยวนี้ก็มีเจองาน ก็อยู่ที่ตัวคิดงานเหมือน 5 ก็เลยกลับมาก็ เพราะว่าไอ้เราจะๆเนี่ยมันก็จะไม่เสื่อมไปง่ายๆ แล้วก็ถอยออกมาก่อนที่จะเกิด มันเลยได้เอาไม้ทุกตรี <c ười> อยู่ว่าไอ้นี้เรียกว่าไอ้กิตัว เราเนี่ยถ้ามองตามมุมของนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ แต่หน้าที่นั้นคือเป็นศรัทธาชั้นเลิศที่ มีโอกาสดีแล้วมีโอกาสดีแล้วแล้วก็ช่วงไหนที่เหียดไปอีก Khi vô tàu lên phòng càng, มันเปิดฟังมากสุดก็คือว่าอย่างงี้เนี่ย นั่นก็ทำได้มันมันมันมันเอ่อ <c oughs> เราต้องสังเกตตั้งแต่ต้นประมาณนี้ <ti ế ng> <t ôi> มีค่ะชื่อสมศรี ส่วนใหญ่ๆทีนี้เราเอ่อคิดว่า มีแนวเราก็ฝันมันคุณได้ก็เราอยากอยากมัน เอ่อมีมีปัญหาอะไรกว่าๆ<ใช> แล้วเราไม่รู้อย่างตรงหน้าที่ตรงไหน Trái cái khác mà không ạ đi กันกันดูมันขัดนะคือรู้เหมือนแต่ๆมันการไม่ อย่าลดถึกใหม่ว่าทําอย่างตรง ตัวสังเกตมีอาการคลุมไปบิอยู่นะครับคือรีมิโนไอ้ ก็ก็เป็นชิจินิดๆหน่อยชัดชัด <Yeah. S 1> แค่ที่เราเคยไปมาแต่เราแล้ว ไอ้ที่นึกว่ามันอยากอะไรมัน มันเหมือนกันบางทีเราก็ดีโตอย่างมากนะตายได้ นี่มันคือการเปลี่ยนเรื่อยๆพร้อมที่จะแสดงความคิดเคลื่อนที่ จะเอาอะไรไปเพื่ออะไรถ้าเราตอบได้ว่า มันแสดงความไม่ ไกด์จาก ค่อยปลุกใจตัวเองมา 7 เดือน แต่เกี่ยว 7 ช่วงเนี่ยๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ช่วงๆไว้ ก็มันจะมันจะเข้าหน้าคือมันจะไม่ได้ปัญหาเรื่องของแต่ก็มี คือมีในนั้นกุ๊กติดอะไรคืออย่างป่านเนี่ยที่ที่ดู เน่ให้กุ้มถอยถอยคือว่าๆ Thứ tháng nào qua, tháng nào là mình kho แต่พอเราทํางานโดยต่อเนื่องเป็นช่วง 1-1 1-1 ตอนยังตอนที่โหนะสมมุติๆเราไม่เห็น เอ่อแต่เนี่ยมันก็เป็นเครื่อง คือการมีความเย็นไม่ใช่นิดมาเป็นฐานะหน้า ง่ายไปป่าวๆหรืออะไรถ้าเกิดความรู้ๆสมมุติว่ากูมี คืออย่างเนี่ยเปรียบว่าไอ้นิยมตาบาตรตัวเองขึ้นๆกลางอย่าง ที่ตามการเรียนที่เราเรียนมาก่อนเนี่ย <c ười> แล้วหมอเห็นขึ้นก็ปรับอ๋อแล้วหมอก็ต้องเพราะ เอ่อผลต้นใบอะไรมา เอ่อเช็คค่ะ และจะเป็นจะทํางานเอาไว้ ทุกสิ่งเนี่ยมันสถานหมดเลยมีความสุขแล้ว có ai có bên cạnh bụng đèn เช่นถ้าให้เราเอ่อเรียนรู้ ประทานเนี่ยไอ้คําเผอไป มันมันยังมีภาคปฏิบัติ Đơn, như là đơn ngày nay, mai nay Thì khi ที่หักเหรียนมาเป็นอุปกตัตของดินสังเกต เราจะเห็นไคลเอดอะไรเยอะเลยคือเช่น อยู่ถ้าเกิดเป็นอย่าง มันกลายเป็นนึกขึ้นมาว่าพวกปฏิบัติควรจะมีประเด็นเรา <c ười> ขึ้นกระแสบางวันทีแต่เราก็รู้ว่าเออ ที่ไม่ค่อยที่ขึ้นที่บางน้องสมัครตอนนั่งปอดก็ พอจะดูบ้างที่เปิดดูงี้อ่ะ มันมันมีเรื่องประมาณนี้แค่ UI อีกหน้านะคะคือดวงทีมจะ อย่างบางทีเนี่ยคือว่าความสนใจของโปรเจกต์มันก็ เนี่ยก็มองว่าเป็นการ ภินันท์ก็นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็บางทีก็ แสดงพลังมันแบบรับไม่ได้คืออ่ะแบบ โดยไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยก็ลบแก่เรามาเกียดเห็น เวลาที่เราโฟกัสอะไรในปั๊งยิ่งเจ็บส่วน อะไรอย่างนั้น นี่มันใช้คูนี้แล้วก็จะตามๆ <laughs> <ven> 2 8 คือคือถ้าคิดมันจะเป็นสมาตรงตรงนั้นเนี่ยอยู่ Trong Đó Chỉ mình cũng mà คือมันจะรู้จริงมากคือ เกิดขึ้นมันก็หลักไปแล้วลุยๆ พออย่างที่เรามองใครรู้สึกจะเป็น <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ใจที่จะมีฟล็อกมาก A เนื่องจากมันแยกเอ่ออันเนี้ย เนี่ยคิดอันเนี้ยเป็นสัญญาช่วงเนี้ยเป็นที่เห็นสัญญาหรือ <ừ> เอ่อมันต้องปรากฏลักษณะเด่นของเอ่อ แต่ว่ามันยังปรากฏลักษณะเด่น คือเนี่ยประมาณเวลาใช่ตอนประมาณ 15:00 คือ แล้วมันจะไปจ้องจะจะบลอกกี้ของเดิมมัน DJ นึกขึ้นได้อยู่อยู่ ทีนี้หมอเห็นมั้ยเดือนต้องสังเกตแต่ แต่การ copy คําและนักแจกเราเคยเคยเห็นกันถ้า copy เนี่ยพูดง่าย มันจะย้อนกลับไปยังโมเมนต์นั้นอีกแต่ว่า คือพลังตาลๆช้าๆอยู่เหมือน ซึ่งซึ่งคือเมกะเอคิดอะไรหรอกแต่ว่ามัน ก็ก็สังเกตเพียงนั้นเพียงนั้นคือใช่ๆ คือมันเป็นึกเราล่วงหน้าด้วยเวลาจะกินเราสังเกตวงวงคือมัน อ่าไม่ใช่การเห็นที่ที่ออก <ítulo> <c oughs> <simple> มันจะอารมณ์เกิดในเป็นเวทนาไปค่ะแต่แต่ก่อนเนี่ย แล้วไม่ใช่มีดีนะเอ่อจุดต่อ เป็นอิสระในการรู้มากขึ้นขณะในการรู้มากขึ้นเพราะว่าถ้าแค่ ดีๆให้เอ่อช่วยแนะนําหน่อยไม่ ก็มาสะสมมาแล้ว นี่มีกําลังใจนั้นมีกําลัง เราไปนี่ถึงเป้าหมาย Mà con dì vật về hôm nay này thì thế này Trời vui Ngài này là không thẳng Ngài này là không thẳng แต่ถ้าอย่างอย่างของคือในตอนตอนใหญ่อะไรรู้สึกว่ายากไปหมดอะไร <c ười> เนี่ยที่อยากคือประมาณ <ame> ใจแน่แค่คือเราสัตว์ที่ก้มหมายออกเป็น <łość> <navig ant> <rez> <ata> ความขี้เกียจ แต่ที่มากแล้วว่ารู้สึกว่าตัว มันมีแรงเนี่ย ผู้บุคคลนะคะแล้วมันก็แบบมันเหมือนมันไม่ มันเป็นห่วงคนทั้งหลายแต่ๆ Nhà ở nhà tay là đây, nhà tay rẻ, em phân nhiên. Một sống cứ sống ปัจจุบเนี่ยได้อันครั้งที่รู้สึกไว้แค่ได้มันมัน ตั้งฝากค่ามันให้ค่าเอาไว้มันพอ มีดิ่ในสุดเวลาที่เราอยากได้อะไรออก เราไปที่อมจริงๆฮะร้องไห้เลยนะคือคือ ก็มีทางเข้าใจทุกเค้าเจ็บเค้ามากกว่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือเห็นไปต้องมีประโยชน์แต่ตอนเห็นว่าติดมีบางอย่างมันไหลมืนมาเนี่ยมันจะสบักไม่เชื่อพี่หรอมันอย่างสมมุติว่ามันเห็นสภาวะแต่ละสภาวะใช่มั้ยคะมันอยู่เพราะอะไรเราต้องรู้ว่าต่อมั้ยรู้ไม่ตรงต่อระดับดับเพราะอะไรระวังเฮียแค่นิดเดียวอ่ะที่เผลอไป เปรยคิดใจมันต้องค่อยๆ มันยังบล็อกไม่ให้ความกังวลขึ้นมาอยู่ตรง แต่ที่ตรงนี้มันก็ยังไม่ยอม Cứ bỏ cả thị thị thư phụ này, mình vẫn khoan ก็จะทําคิดหรือทําถูกเพื่ออือทําถูกดีกว่าใช่ตรงนี้เนี่ยมันแสดง ที่มันครอบงานอยู่เนี่ยมันครอบกับอธิปาจิตถ้าแห่งๆไม่ แต่มันไม่มีฟังก์ชันนั้นตัวเองว่าที่เก็บอยู่เนี่ยอยู่ <ừ. S 1> <c ười> มันเท่านั้นแต่ที่สูงสุดใน เราลองไปดูบ่อยๆ มันกําลังปรากฏคันมืดจริงๆแล้วเราบอกว่า Theo ý kiến đó, bệnh theo cạn thì là một มากก่อนเป็นอย่างที่เราสร้างได้มีความสามารถ ว่ามองไปที่แค่แค่แค่เนี่ยเอาตัวเองให้รอด คิดนั่นคิดกันอยู่กับบ้าน เหมือนก็จะเกิดหงอกขึ้นมาเพราะจะชี้ ที่ก็เหมือนกับก็หนูก็ดูไปนะคะท่าน เหมือนกระโดดมาเดินทางอยู่ในรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะ อัปปัตตาที่มันมัน นั่นน่ะจะต้องเสียอะไรที่ตัวเอง ไม่ยอมไม่ได้ค่ะคือมันเหมือนเฝือกับคนธรรมดาคน มันมันไม่ปล่อยมันเป็นไรขั้นต่อมามัน จิตจิตมันฉลาดขึ้นเองไม่ได้เป็นฝั่งที่มัน มันเหมือนกับว่าทั้งหมดมันเป็น เดือนการอาหารมันร้องเกือบร้อยแล้วอ่ะหนูก็ไม่ค่ะ ว่าไม่ถูกอ่ะค่ะมันเหมือนว่าสะท้อนกับเขาตัวเองว่าเออก็นั่นแหละก็ อย่างข้างหลังเพราะมันจะว่าไปเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราปฏิบัติไปที่เราปฏิบัติไปมันก็กลายเป็นว่าจากอ่าทําไมเราแบบเดี๋ยวนี้ทําไมเรา บางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้ๆๆจะรับ แล้วทีนี้ก็มีๆแล้วมันมีความคิดวิ่งเข้ามาพอนั่งนานไป Thế thì mình có khi phán phí มันแต่ถ้าจะเกี่ยวบ้างมันเกี่ยวกับ นะจะเจ็บแบบนี้แหละอยากจะเจ็บแบบ Nên mân tỷ đã liền dụ Rất cản จุดซ้อนของแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นทางเห็นมั้ยการ คนใหญ่เนี่ยจะต้องทําออกมาจากการๆแล้วประเด็นจริงๆมัน Khi thắng cái cưỡi khoảng trăm thì mình lỡ อย่างนี้เราเตรียมไว้เหมือนกัน <c oughs> มันทําจนเป็นทุกข์มันมีอะไรบาง Giảm nhạc bỏ phải, Mình มี lên Tôi nghĩ tôi yêu đứa để phục Mình hắn thấy họ sẵn พอเห็นอย่างงั้นน่ะมันมันเกิดความเนี่ยผมอยู่มันมันไม่ ว่านิยามความเจนใจเนี่ยชัดเจนแบบๆ Chúng ta dầu tổ mấy, có thể đề phạt dưới tài trả mình phát mình nghe gì là Cái về เอ่อซึ่ง มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเรา มันเหมือนกับว่าเค้าทําให้เราเห็นเรื่อง Tùa kẻm khít, kẻm khít khác mà là vừa Cứ không biết đúng Mình quả sẵn 2 Cứ พอเราดูดินิภายในข้อต่อ วิธีที่เราคิดเนี่ยมันแทนคิด บางวันเนี่ยคิดถึงฝันดีแต่ว่าคิดเรื่องเงินเอง <Ừ. S 1> แต่ว่ายิ่งนี้ว่า การจะแต่ไอ้ภาวะข้างในที่มันมันเป็น ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยยังไม่ได้มองเข้า ว่าควรจะไปอย่างไรมันมีการมอง แต่ต้องมีตัวปัจจัยตัวตัวนั้นแหละมันมันมีสิทธิตัวอื่น ไม่มียี่ๆที่ผ่านมามันผ่านได้ผ่านมาเพื่อที่ เข้าใจมั้ยครับคือเวลาเรามองอย่างนั้นพวกเนี้ยอาการทะแนนเนี่ยจะค่อย นี่ตรงนี้แหละอ่ามาเป็น ที่บอก ใช่เราให้ความสําคัญกับวันถ้าตัดได้ไหมมากขึ้นไม่ มันตัดได้วันนี้แต่อีกวัน เป็นเหมือนกันน่ะเพราะว่ามีอาการทางใจที่ คือเราจะปล่อยได้ปล่อย มันก็คือไอ้นอกเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างนั้นอย่างเรือนรานที่เรียกว่าบุญนั้นก็ คือการปล่อยวางของภคพรยังเอ่อเหมือนว่าเรา ไอ้เกิดการยึดมั่นอึมักการที่ Phải phỏng còi nè, từ Mình chàng nào ở đây khi Khảo นี่กับน้ำบอยแคนนะครับเออตอนแรกเอ้ยบอยบอย ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับคําพี่ <laughs> นะเดี๋ยวแล้วใจคือ <c ười> có cái phần để เห็นสมาธิเป็นแก้วประการหนึ่งที่ การนี่ระยะอุทิเนี่ยเป็นอ้อมหลักนอน 1 ชั่วโมง ว่าได้เราจะ wow. Có bán giả để cứ thế như vậy là nhầm Cảm ơn khai ตื่นมากขึ้นเหมือนนี้แหละ ด้วยอาการขึ้นใหม่น้อยๆครับมันคือ Thì có thông tin đó là cái mà không nói nha Lúc xây cái này แน่นอนเลยบอกตัวเองไปนี่จะต้องขู่กับ แล้วจะพบว่ามีผลกับการมาค่ะพี่นัททินทร์ขอถามอีกนิดนึงได้ เพราะเรามึงจะแปลว่าเรารับกรรมบันดาลเท่าเลย เนี่ยแกก็ว่าไปรู้สึกมาก มันมีสติรู้สึกได้เยอะมากค่ะ หารแล้วก็มีว่า นี่เป็นหอบถึงจะช่วยหรือ ว่าเอาโลดทั้งนั้นแต่เป็นอารมณ์ที่ค่ะ มันก็มีคราวแต่ มันไม่ยังเป็นนักศาสนทกรเหมือน ก็มองที่เห็นก็แล้วกันว่าใจ มันมีแค่อาการยึดอยู่แบบ <mister tumors> มันก็จะไปถึงมันค่ะ จากที่เรียน B ค่ะกับ เอ่อตัวมันยึดถ่างกันอะไรวะนิยาม มันจะมีเหตุมาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเต๋า เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ในสถานการณ์แล้ว มันยังไม่มองด้วยการเห็น ฉายแต่ปัญหาของตัวเองนั่นได้ ก็วลีมิตรๆเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่ที่เอ่อ ความกดหน้าตาเป็นไงมันเหมือนกว้างๆมันเหมือนสว่างนะอย่างนะไอ้ที่ ถึงจะเออรู้สึกสบายเนี่ยก็เรียกว่าเป็น ตรงนั้นจะมีความเคลื่อนแม้แต่เป็นกิ่งไม้ที่มัน Cứa như giải đưa kinh măng thử măng của bác mệnh Để từng khỏi độc nói bài này nha Các ถ้ามากไปเราได้อะไรถ้าน้อยไปมีอยู่แค่นี้แท้ คือคือคอมโพเนนต์ใหม่บางทีก็เบิกบ้านกินห้องหออยู่เพราะ เนี่ยคือดูไม่ใช่แบบเยเกรงไม่ใช่แบบ เพราะหายใจกลองดึงเกิดมันมันตักเนี่ยอันนี้มัน มันเหมือนกันได้อะไรอย่างอย่างที่ อันกอบหมดในเนี้ยนะกอบหมดในชีวิต เป็นต้องโบกเกิดเรียนไป เงินทางขอสื่อความห่วงใยคือว่าพี่ดุลเนี่ยถ้าเชื่อว่า ก็ครับตอนนี้ตอนสุดนะเอ่อพอ ที่ไม่เห็นประโยชน์ๆครั้งรู้สึกว่าเกลียดและ Dạng toàn thiên của vị trí บุกกรณ์การปรดเจริญนั่นเองเราก็จะเห็น อยากปรับตัวชื่อเปลี่ยนมาเป็นว่า <c ười> <c ười> ค่อยๆค่อยๆมากอยากได้สมาธิไปเพื่อมาเข้าไปเห็นเข้ามารู้ว่าสภาวะภายในของจิต ก็แล้วก็เพื่อนหลายไป อย่างหมายถึงมันมันมีอยู่ตั้งนะความ แล้วประโยชน์ในขั้นต่อไปก็คือ เรื่องเรื่องที่หนักเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่มัน ที่เอ่อมันเป็นแบบเดิมๆอันที่ไม่ แค่คิดอย่างนี้มันก็เป็นอาการเดียวกับปัก สวัสดีค่ะค่ะเป็นปัจจัยคือคือพอ ชาวาปั๊บปั๊บปลุกหรือว่าชาวาอี้มัน วิธีการสุดเนี่ยก็คือเราเนี่ยที่ทําตามไป <musun? S 2> <c ười> แต่เนื่องจากเราเห็นมันชัดเจนมั้ยเพราะมัน อาการเปลี่ยนเป็นมีความสดและอึด แต่ทั้งนั้นก็เห็นว่าเออลมหาย มันเหมือนมีคำตอบหลุดมากขึ้นจากเดิมที่มันเหมือนนี้มัน คือบอกประเด็นสมาธิถูกมั้ยเอ่อ เป็นเครื่องแบบว่าการทํางานของบาง ทำใจโฟกัสสมาธิได้มั้ยคือคือมัน ในที่ๆชั่วโมงมาตลอดตลอด มันเหมือนมันเหมือนเดี๋ยวมันจะเสียงานมันจะ ว่าที่เขาไม่ไม่โยเกกับเราไม่ตกลงกับเรา ที่มันแค่ค่าความคิดน้อยหน๋องแต่กระนั้นเหมือนถ้า เคยส่งในบ้านตัวกิน ก็ตั้งโอเค จิตตกใจมันก็จิตตกใจ ไอ้ที่อยู่ในบ้านบางทีมันยังทํา ก็อย่างนี้มีเงินช่วยมาซื้อทีนี้ อารมณ์ความทางใจคือไม่ มันไม่มาก đây con Lỡ แต่ถ้าเราเขียนว่ามันมันเป็นอารมณ์ลบเป็น การที่กําลังโกรธเวลาเวลาที่เฮ็ดกับทุกคนกําลังโกรธ อย่างนี้ดูตอนที่นี้ มันมันก็ได้เนี่ยพี่ผู้จัด <M> <confidential ity. S 1> สัญญา ดร. ใช่มั้ยคือคือเหมือน Mình thấy khuôn của bạn khuyên của Đảng Mình thấy มีความรู้สึกคันหมดแม่งจะมี Thế nên mình thấy thì sẵn มันมีอารมณ์ไม่พอใจอยู่มันไม่ได้ แผน नंबर 1 เลยหรือเปล่าคะคือ ตัวนี้แหละเขาจะยืนว่าๆแต่ๆเนี่ย ต้องต้องก็คือๆค่ะ ครัวอาหารที่หั่นสำเร็จด้วยๆน้อยๆ ก็ก็ดีเนี่ยการที่เราเริ่มจาก Rung hết cả อันนี้เป็นแค่อยู่เริ่มต้นที่ๆ ที่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าไอ้ความ แม้ผู้จนเนี่ยเองก็เป็นสภาวะหนึ่งที่คล้าย Đi chì vụ chì vãi Tại con khi nào ra tôi nghĩ Còn phẳng là khi Con có người bị thủ dài không ไอ้ไผมันคิดมากมันเหมือนไม่มาคิดต่อคือคือ เป็นการไกลเด่นนึกว่าตัวผู้เสียสรรค์ ด้วยสมาธิในชีวิตประจําวัน Thật kỹ là cô có thể hiện như ตัวนั้นที่ผมจํา คือว่าแต่ในธรรมชาติมากนะครับคือดูเวลาปกติยัง เนี่ยที่มันมีอยู่แค่นั้นงั้นน่ะก็เป็นเป็นเดชะนั่น แต่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเป็นลุงแก่มากก็ ตัวบางคิดใจตาย เเล้วขอคำๆๆ đến đi mình mình mình เออว่าแม้ตอนนี้ตัวๆมันง่ายจะดีเนี่ยเท่าไหร่ เอ่อ VPN รับเนี่ยตอนนี้ก็ มองไปหารถมันทําให้เวลาคิดเนี่ยคิดว่ามันน่า นี่เราจะรู้สึกแย่ เนี่ยเวลาที่มันมากระทบแล้วกลุเป็นปัญหาใน ยังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันนะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่ง นี่ปวดลมบางใจไม่เชื่อใจมันเชื่อใน <c ups> ถ้าเราเห็นอาการของจิตแบบนี้เนี่ยมันจะ มันจะกลายเป็นคนมองลบ Bây giờ mình bên người cả đáy trò nó mà Thực เราพยายามไปมันๆ <อ? S 2> <c ười> ไอ้พวกกรรมเดี๋ยวถูกปล่อยไปนะสายเลยเอาตรงๆที่สุด เดทพอ ก็ทั้งแน่เลยมีอยู่ในคฤหูก็ทั้ง นี่ก็ตัวๆน้อย แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ ไอ้มีขาดความเปลี่ยนแปลงมัน ครับก็ต่อมามันจะต้อง b เหมือนเจอผืนไม่ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ที่ถูก อ่าพอบททุกข์นั้นมีสว่างขึ้นแล้วที่ มันมีความรู้เหลือขึ้นมานะมันมีความสลายแต่พอมัน เราไปไม่ เราก็มองมีคิดว่าเออยอกการที่ที่ได้มัน นี่นะคะคือใช้รูปแบบทีนี้ปฏิบัติ เนี่ยอึดอนาคตยิ่งใจเราเนี่ยเอาไป เย็นแล้วย้อนกลับเข้ามาอยู่ในใจดิตอนนี้มันยัง เริ่มมีน่ะตณงค์อ่ะดูเข้ามา <c oughs> เอ่อใบน้องใหม่ที่นี่ <c oughs> Mình chạy của một con tiền ngài แม้ๆ นี่กำลังกับใหญ่ทางวัดขึ้นหางเราว่า แต่ถ้าตัวเหมือน โดยเองมันจะเป็นยังไงโดยทันเนี่ย ยังไม่ทันทําผลอะไรดีเลยเราอยากจะรอต่อ ความที่จะคิดความที่จะหันเกลียด ก็เห็นไปเรื่อยๆว่าจิตของเรามันเปลี่ยนได้ Những người ta sụn bọn thì không phải Băng với người Mấy quả là nó sẽ Giả Lúc อยากเลือกสวดขึ้นมาใหม่หรือว่าจริง Mà chơi lúc tự còn chưa đến Mà ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ไม่เป็น อ่ะเดิมนั่นเดิมนะ Nên là cái đủ của tôi là tốn sẹt Tổng hợp 3 khi mình hiển thị 2 người Nó có 1,4 ngày là có 1 đón giá đạo bởi Mà làm rằng là bởi khác Cứ mình đi vào giá đạo bởi Để không thê đạo bởi Mình có thể còn Tôi là giá đạo bởi Không có bởi để tất cả những hàng Có chặt chặt đuổi hết sự เก่งมากมีข้อเสียเหล่านะคะ คืออย่าไป การที่ได้ลองคิดเลยรู้ให้คือ เรียกว่าไหนดีกว่ากันคือไม่ว่าไปๆ <ét acion vivo> นี่แหละมองคือคือเปิดคิดอย่างคือคือมันจะทํา อาจจะตกฝนหรือว่าจังหวะเราจะสามารถมัน อีกนั้นเราตั้งมุมมองใหม่ๆแก้ <guessed deep. ś cticamente> <foundation> ทำในที่มันจะไม่ไม่ คือไม่สามารถหลดกดหรือถ้า ที่เราสังเกตได้ไม่ว่าจะทํารูปแบบ เนี่ยที่เราเข้าโอเค तो मैं อย่าๆ चला चलते